พูดนมการละครั้งหนึ่งในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แห่งพาราโดเนียยังมีราชาคนหนึ่งนามว่ามาคัสทุกๆคนในอาณาจักรต่างรู้ว่าเขาโปรดปรานแอปเปิ้ลมากๆเขาใช้เวลาทั้งวันไปกับการทานแอปเปิล้ลและไม่แบ่งใครเลยแม้กระทั่งลูกสาวของเขาเจ้าหญิงเอล ม, มอร ลูกก็รู้พ่อรักลูกเอามาแต่ความรักต่อแอปเปิ้ลนั้นมากกว่าทั้งหมดเลยงงงงงมันไม่แฟนเลยนะท่านพ่อหนูขอกัดแค่คำเดียวเองลูกรักถึงแม่พ่ออยากใคร่แคนไหนพ่อก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามีเออค่ะค่ะหนูรู้ พ่อได้รับคำสาบจากนักปราดผู้ยิ่งใหญ่ที่สาบต้นไม้ทั้งหมดในสวนของพ่อและใครก็ตามที่กินแอปเปลิลจากมันต้องถูกลากลงไปใต้ดินใช่ค่ะหนูได้ยินมาล้านกว่ารอบแล้วก็ดีแล้วแต่ท่านพ่อใครพอกินแอปเปลิลของพ่อเถอะนะไม่สนแล้ววันนี้ข้าต้องได้ลิมรสของแอปเปลิล บ่ายวันนั้นขณะที่ราชากำลังงีบหลับอยู่เจ้าหญิงเอามาาได้นำของเล่นตีฉาบสีทองไปวางไว้บนพื้นใกล้ๆ ก, กับที่ยามยืนอยู่ซ่อนตัวเองและวางของเล่นไว้ในขณะที่มันเริ่มตีฉาบและเคลื่อนที่ไปหายามเจ้าหญิงแปลกใจมากที่ไม่มียามคนไหนขยับเลยของเล่นหยุดอยู่ใกล้ๆคนคนหนึ่งและเมื่อเจ้าหญิงเอาม้าเงยขึ้นไป เธอพบกับชายที่สวมชุดราวกับเจ้าชายและสวมมงกุฎเธอรู้ในทันทีว่านี่คือเจ้าชายยิ่งใหญ่ที่กำลังจะมาขอเธอแต่งงานเจ้าหญิงเอามาวิ่งกลับไปที่วังโดยทันทีวันต่อมาเมื่อราชามาคัสและเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่กำลังพูดคุยกันในราชสำนักสาวใช้ได้พาเจ้าหญิงเอาม้าเข้ามา โอ้น่นลูกสาวข้าเอลมานี่เจ้าชายยิ่งใหญ่แห่งอาณาจาักรริสเทนเป็นยังไงบ้างเจ้าหญิงเอลมาเอ่อ ข, ข้าสบายดีขอบคุณนะที่ถามเหมือนเจ้าสองคนจะเข้ากันได้ดีนะลูกรักทําไมจะไม่พาเจ้าชายยิ่งใหญ่ไปชมอาณาจากักรล่ะแน่นอนท่านพ่อ เมื่อเจ้าหญิงและเจ้าชายออกมานอกประศาสตรและเดินเข้าไปในสวนเธอถามว่าทำไมพวกเขาถึงเรียกท่านว่าเจ้าชายยิ่งใหญ่อย่างนั้นเหรอออเพราะว่าข้าเป็นเจ้าชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยังไงละ่ะข้านะ้จองจำพวกมังกรทำใหราชศีก้มหัวให้ข้าและปราบมีทั้งกองทัพข้าเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี่ ระเจ้าเขาเป็นผู้ชายที่ขี้อวดมากโอ้เงินเหรอถ้าเ ง, งินข้าคงเป็นเจ้าหญิงที่โชคดีที่สุดที่มีท่านอยู่ด้วยท่านช่างกล้าหาญมากๆและยังมาขอข้าแต่งงานอีข้ามีบางอย่างจะขอท่านก่อนที่เราจะแต่งงานกันงั้นก็ขอมาเลยท่านเห็นแอปเปลิลบนต้นไม้นั่นไหมเห็น ทั้งหมดที่ข้าต้องการคือการได้กินแอปเปลิลบนต้นไม้นั้นท่านมีเมตตาพอนะํามันมาให้ข้าสักลูกได้ไหมแค่นั้นเองเหรอได้ข้าจะเอาแอปเปิลมาให้เจ้ามาซิในขณะที่เจ้าหญิงและเจ้าชายเดินไปหายามเน็กซอสได้หยุดพวกเขาเจ้าหญิง สถานที่แห่งนี้น่ะถูกสั่งห้ามไว้โดยท่านราชาเจ้ากล้าดียังไงณนะตอนนี้เน็กซัสได้ถอดหน้ากากของเขาออกและจ้องเข้าไปในตาของเจ้าชายยิ่งใหญ่เจ้าหญิงเอามาพะงะเล็กน้อยกับความหลอกของเขาโอ้พระเจ้านี่สิชายผู้ยิ่งใหญ่ข้าเพียงทําตามคำสั่งของท่านราชาครับท่าน ไอ้เจ้าคนรับใช้เดี๋ยวข้าจะทันใดนั้นเจ้าหญิงเอามากก็ขัดจังหวะขึ้นเออเจ้าชายยิ่งใหญ่ช่างเันเทอข้าคิดว่าความอยากกินแอปเปิ้ลของข้าคงเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเน็กซัสไม่รู้เลยว่านี่เป็นเพียงการเสรแสร้งของเจ้าหญิงเท่านั้นโอ้เจ้าหญิงอย่าพูดเช่นนั้นเลย ข้าแค่ไม่อยากให้ท่านราชาโกรธนะแต่ท่านพ่อไม่รู้หรอกแค่ให้เจ้าชายยิ่งใหญ่บิดแอปเปิ้ลอย่างรวดเร็วแล้วพวกเราจะรีบไปเน็กซัสคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหนะ้างั้นก็ได้แต่แค่ลูกเดียวนะโอ้เขาน่ารักจังเลยเมื่อเน็กซัสขยับออก เจ้าชายยิ่งใหญ่เดินไปที่ต้นไม้และบิดผลแอปเปิ้ลที่อยู่ต่ำมากๆทันทีที่เจ้าหญิงได้รับแอปเปิ้ลเธอก็กัดและกินอย่างเพลดิดเพลินอืมรสชาติของแอปเปิ้ลผลนี้มันช่างทันใดนั้นมังกรได้โผล่ออกมาจากใต้ดินออและมันกระชากเจ้าหญิงลงไปในนั้น เจ้าชายยิ่งใหญ่ตัวสัน่นและเน็กซัสก็ตกใจมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนไม่มีใครรวมไปถึงเน็กซัสตั้งตัวได้ทันเมื่อ น, นั้นราชาก็รีบมาที่สวนเมื่อเขาได้ยินเสียงคำรามของมังกรเอลมาลูกอยู่ที่ไหนเอลมาอยู่ไหนลูกสาวของข้าอยู่ที่ไหนเจ้าชายยิ่งใหญ่อธิบายทุกอย่างให้ราชาฟัง เขาโกรธเน็กซัสเป็นอย่างมากเน็กซัสเจ้าปล้อยให้นางกินแอปเปิ้ลได้ยังไงฟาบาอข้าขอโทษ ด, ด้วยแต่เจ้าหญิงดูเสียใจมากและนางต้องการกินแอปเปิ้ลแค่คำเดียวข้าข้าเสียใจ ไอ้เจ้โง่เจคิดว่ามันไม่อยากสําหรับข้าเหรอที่ต้องบอกนางตลอดหลายปีว่าสวนแห่งนี้นะ่ะถูกสาบท่านว่าอย่างไงนะฝาบาทนักป่า ช, ชราผู้ยิ่งใหญ่ได้ทราบคาเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ข้าเข้าไปล่าสัตว์ในป่าข้าเยียบตาแอปเปิลเข้าโดยไม่ตั้งใจและเขาได้สาบว่าต้องกินแอปเปิลไปตลอดชีวิตไม่เช่นนั้นผู้คนในอาณาจักรข้าจะต้องทุกข์ทรมาน และมังกรจะไม่ไว้ชีวิตพวกเขาแล้วถ้าหาใครก็ตามที่กินแอปเปิลจากสวนนี้มังกรจะมาเอาพวกเขาไปนะสิเน็กซัสรู้สึกเสียใจมากที่เขาปล่อยให้เจ้าหญิงได้กินแอปเปลิลมีทางใดที่จะ น, นํานางกลับมาได้หรือว่าลบล้างคํำสาบของนักปราดได้บ้างไหมคำสาบน่ะทําลายหรือลบล้างใหม่ได้มีแค่นักปราดเท่านั้นที่ทําได้ และข้าไม่สามารถเข้าไปในป่าของเขาไม่เช่นนั้นทั้งอาณาจักรก็จะกลายเป็นเถ้าถ่านฟาบาดให้โอกาสข้าดูสักครั้งข้าจะเข้าไปในป่านั้นและพาตัวนางกลับมาดีมากแต่พาเจ้าชายยิงยัยไปกับเจ้าด้วยเขาเป็นชายจิตกล้าหาญมากเออคือที่จริงแล้วข้าคิดว่าเออได้ครับ ข้านึกไม่ออกเหมือนกันที่ต้องไปเสียงที่นั่นเพียงคนเดียวดังนั้นพวกเขาจึงออกเดินทางไปโดยไม่มีทหารเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้นักปราดโกรพวกเขาขี่ม้าเป็นเวลากว่าหลายวันในที่สุดก็มาถึงป่าที่นักปราดอาศัยอยู่ พวกเขาลงจากมา้าและเดินอย่างช้าๆเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังนักปราตนั่งอยู่ข้างนอกถ้ำและกำลังทำสมาธิอยู่เน็กซัสและเจ้าชายยิ่งใหญ่ย่องผ่านนักปราตและเข้าไปในถ้ำข้างในนั้น มืดมากจนมองเห็นเพียงดวงตาของพวกเขาชายทั้งสองเดินเข้าไปเรื่อยๆและในที่สุดก็พบกับที่ที่มีแสงสว่างเมื่อพวกเขามองเข้าไปที่แสงพวกเขาพบเจ้าหญิงเอลมาถูกพันล้อมรอบโดยมังกรที่กำลังหลับอยู่โอ้นั่นเธอนี่แต่สายไปแล้ว มังกรลืมตาขึ้นและจ้องมองเมื่อมันพบชายทั้งสองมันก็ส่งเสียงคำรามวิ่งแล้วไม่งั้นมันจะทำร้ายเจ้าหญิงเขาทั้งสองวิ่งสุดแรงเท่าที่มีเมื่อพวกเขาออกจากถา้ำเขาทั้งสองได้หนีไป ใ, ใกล้ๆพุ่มไม้เมื่อห่างไกลจากถ้ำแล้วพวกเขานั่งหอบอยู่ใต้ต้นไม้ ด้วยความเหนื่อยหอบเจ้าชายยิ่งใหญ่ได้นําชิ้นส่วนของขนมปังขึ้นมาโอ้ไม่ว่ากันนะแต่ข้าเหนื่อยมากเลยและเจ้าก็กวนกินเช่นกันเราไม่ได้กินอะไรตั้งหลายวันแล้วเน็กซัสพายักหน้าและเจ้าชายยิ่งใหญ่ได้แบ่งขนมปังแดนเน็กซัสท่านใดนั้นเมื่อเขากําลังจะเอาส่วนของเขาเอฟปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาโอ้ นี่เจอเป็นใครกันใจยเย็นข้าแค่เป็นเอลชื่อของข้าก็คือเอลฟันโซและข้าหิวมากมากเลยท่านข้าขอแบ่งขนมปังได้ไหมเน็กซัสมอบขนมปังให้เขาแต่เอลฟันโซทำมันตกอ๋อๆได้โปรดเธอท่านช่วยหยิบมันมาให้ข้าอีกสักครั้งหนึ่งเธอ ทำไมเจ้าไมา่หยิบมันเองเล่าถ้าหยิบขนมปังแค่นี้เป็นปัญหาให้กับเจ้าข้าก็คิดว่าเจ้าไม่สมควรที่จะได้รับมันแล้วเมื่อเขาพูดเสร็จเอฟได้กลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามเน็กซัสและเจ้าชายยิ่งใหญ่ตามตกตะลึงโอ้ขอบคุณ่านมากนะท่านทหารข้าชื่อฟานโซและข้าเป็นหลารดของนักปราศ หลายปีก่อนน่ะลุงของข้าเป็นคนที่อารมณ์เสียง่ายมากเขาสาบข้าและภรรยาเปลี่ยนข้าให้เป็นเอลฟ์และภรรยาของข้าให้เป็นบังกรหลังจากที่เขาใจเย็นลงเขาพยายามลบล้างคำสาบโดยให้พวกข้ากินแอปเปิลที่อร่อยที่สุดในโลกแต่ราชาที่กำลังเข้ามาล่าสัตว์ในป่าน่ะได้เหยียบจานแล้วก็ทําให้พวกมันเสียหายน่าต้องเป็นราชาที่น่าสงสารของพวกเราแน่เลยแต่บอกข้าที คำสาปจะหายไปได้อย่างไงเขามองเข้าไปที่ฟองสบู่เวทมนต์ของเขาและเอ่ยว่าเมื่อใดที่มีทหารผู้กล้าที่ไม่มีความสงสารต่อเอลฟ์คำสาปจะถูกทำลายและข้าจะได้กลับมาอยู่ในร่างของมนุษย์แต่ว่าคือเออแต่อะไรงั้นเหรอแต่การที่จะทำลายคำสาปของภรยาข้าเจ้าต้องเสียสละตัวเองต่อหน้าเธอในร่างมังกร และข้าเสียใจด้วยแต่นั่นคือทางเดียวที่จะช่วยเจ้าหญิงได้ข้าข้าพร้อมข้าจะทาทุกอย่างเพื่อฝาบารเน็กซัสเข้าไปในถ้ามังกรตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงเดินของเขามันคำรามออกมาเน็กซัสก้าวเข้าไปต่อหน้ามันตอนนั้นเองเจ้าหญิงได้ลืมตาขึ้นชา้า เน็กซัสที่ไม่เห็นเจ้าหญิงตื่นขึ้นมาได้พูดกับมังกรว่าข้ามาที่นี่เพื่อเสียสละตัวเองต่อนหน้าเจ้าเพื่อที่เจ้าจะได้กลับไปอยู่ในร่างของมนุษย์และเจ้าหญิงก็จะได้กลับไปยังอาณาจักรของเธอเมื่อพูดจบเขาโค้งคำนับลงและทันใดนั้นแสงสว่างได้เจิดจ้าออกมาเน็กซัสเงยหน้าขึ้นและเห็นว่ามังกรได้หายไปแล้ว มีเพียงหญิงสาวที่งดงามกับเจ้าหญิงเอลามา่เจ้าหญิงเอลามา่ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านไม่เป็นอะไรเจ้าหญิงเอลามา่วิ่งไปด้านหน้าเน็กซัสและกอดเขาโอ้เน็กซัสข้ารักเจ้าทัานใดนั้นเท้าชายยิ่งใหญ่ฟานโซและนักปราดวิ่งเข้ามาข้างในและพบว่ามังกรได้หายไปแล้ว ภระยาของฟานโซวัลีนาวิ่งเข้าไปหาเขาและกอดเขาแน่นขณะเดียวกันเจ้าชายยิ่งใหญ่ระหนักได้ว่าเจ้าหญิงเอลมารักเน็กซัสไม่ที่เขาเขายิ้มออกมาและโอเคกับมันข้าไม่ได้ทาอะไรให้ชนะใจเธอเลยเขาต่างหากสมควรได้รับมันมากกว่าข้านักปราดอวยพรแดกพวกเขาทั้งหมด เจ้าชายยิ่งใหญ่บอกลาเจ้าหญิงเอลมาและเน็กซสัสพวกเจ้าทั้งคู่ทำให้ข้าพบกับคำว่าเพื่อนสนิทเอาไว้เจอกันใหม่นะเมื่อพูดจบเขาก็จากไปเน็กซัสและเจ้าหญิงเอลมากลับมายัางอาณาจักรและราชาก็ปลื้มใจมากเขาประกาศจัดงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ และในไม่ท้าเจ้าหญิงเอลมาและเน็กซัสก็แต่งงานกันส่วนแอปเปิ้ลไม่ต้องสาบอีกต่อไปและเปิดให้ทุกคนในอาณาจักรเข้าไปกินได้และสำหรับราชามาคัสเขาหยิบชิ้นมะม่วงและกินมันอย่างสำราญใจ